นั้นตรงนี้ก็คือว่ามันจะต้องพิจารณาถึงบอกว่าสิ่งต่างเนี่ยมันไม่ได้ศีลสาระเลยนั่นคือไม่มีสาระศีลสมาธิปัญญาวิมุติวิมุติญาณทัศนนะวิมุติก็คือความหลุดพ้นนี่วิมุติญาณทัศนะคือปัจจเวกนะเพื่อจะได้ไปสู่ถึงนิพพานที่เป็นสาระที่ดับทุกข์ได้เป็นอนุปาทาปรินิพพานไป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 จำไม่ได้ในธรรม บ, บทในธรรมในในธรรม บ, บทคืออย่างนี้ <c oughs> โดยหลักตรงนั้นก็คือว่า <c oughs> สรุปนะสรุปจำความได้คือว่าคนที่คน ท, คนที่ไม่รู้วาสาละไม่เข้าใจเรื่องสาละก็จะเป็นผู้มีมิจฉาสังบปะเที่ยวไปเ ไ, ไหม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 เพื่อไปได้รู้จักเนาะตอนปู่ย่าตายายเราตายเองก็จะเริ่มาเผาแล้วงไปเพื่อมีความหวังตรงนั้นหวังหวังทรัพบแต่รัย์ก็คือหวังจะได้บริวารแล้วมันจะได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเป็นไงั้นไหมล่ะพ่อเขเออได้สวดแะมีเออ มุพ่พลาได้ตรวจงานสอบบุฟฟาไวัดขึ้นเพลิงหน่อยเห็นไหมสับปเลอโอ้ต้องจะได้ไหมต้งเจอสับปเลอบนวันก่อนไปเจอสับปเลอบนอะไรรู้หมอ้ยวัดนี้ไม่ก็มีสอบแลสับปเลอบอกก็เป็นรอชีพสับปเลออย่างเดียวก็นจนเน่เนี่ยวัดเนี่ยอยไประบุดีเหมือนทึงอกนานจะมีก็ตายกี่ว่าก็บอกว่าว ปีนึงม่ตายแคสี่ศบโอโหไม่ไหว้ก็บอกว่าเจ๊งต้องต้องต้องไปเขาไม่เคยสะดุ้งสะทือนเลยเนะเขาไม่เคยสะดุ้งสะทือนเลยเนัยย้นพวกเราเนี่ยนะพวกเราก็เลยทำตัวเหมือนสับปเปลือไปงานศพก็ไปแบบสับเปรเือยให้เขา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 ในนี้คือหน้าที่นี่แหละเป็นหน้าที่หน้าที่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือทำตัวเป็นสับ ป, ปะเลือน ก, อกนี<ค><ย>่นั่นน่ก็ไปนัน่นนะถูกแล้วแต่ที่พูดเนี่ยที่พูดว่าการไปเนี่ยไม่ใช่มไม่ถูกแต่ถ้าไปแล้วถ้าจะให้ได้สาระ ดีท <54. S 2> ี่กล่าวใช่ไหมดีที่พูดไงก็หมายความว่าไปแล้วมันต้องวิจัยให้เห็นโทษของการตายแทนจากนั้นตรงนี้นะก็ถึงบอกไงบอกว่าเธอทั้งหลายที่ท่านบอกว่า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 ก็ทับถมแผ่นดินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนผืนแผ่นดินทั้งหมดนี้ก็คือนั่นแหละซากของเธอทั้งหลายเพียงพอหรือยังที่จะเบือนายพวนั้นถ้าอย่ม่เพียงพอฉันกอกเลือดที่หลังออกมาจากการถูกตัดคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรใช่ไหมทีนี้กรณีที่เราทั้งหลายที่ถูกฆ่า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 ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าว่าเวลาที่เธอทั้งหลายไปเกิดเป็นโคเพียงตัวเดียว่เลือดที่หลั่งไหลออกจากคอที่ถูกเชื้อเนี่ยก็มากกว่า น, น้ำในมหาสมุทรเป็นต้นนะฉะนั้นสังสาระเนี่ยนะสงสารนี่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นก็ใครๆรู้ไม่ได้เราที่ถูกวิชาขวางกีดขวางอาตัณหาก็ผูกไว้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในดแานการสวยทุกข์แล้วก็ได้รับชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์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 นะเพื่อเพลินทุกข์สัตยินดีทุกข์สัตยพอกพูนทุกข์สัตยเมื่อเห็นทุกข์สัตยโดยความเป็นสุขไม่ใช่ฐานะที่สัตว์เหล่านั้นจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ฐานะเราเพื่อเพรินเรายินดีเราบูชาทุกข์สัตยเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะทุกข์สัตยนั้นเป็นธรรมที่ควรําหนดรู้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 นั้นทุกวันนี้เราเกี่ยวข้องกับทุกขสัต์แล้วเราได้อะไรจาทุกขสัต์นอกจากอภิชาและโทมนานั้นถ้าเรายังอยู่กับอภิชาและโทมนานั้นกับทุกขสัตว์รามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ทุกขสัตม์ไหมรูปเบญนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ทุกขสัต์หมหญิงและชายเป็นต้นใช่ทุกขสัตว์หมเห็นไหมโลกใบนี้ใช่ทุกขสัตว์ห้ห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 ต้องเห็นแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นเขียนยังไม่ได้เลยเขียนก็มันยังเครียแข็งอยู่ต้องเข้าใจตรงนั้นเนาะนี่คือคือเกี่ยวในเรื่องของสังสารวั้ทีนี้ไปดูอีกบทนึ่งบทที่บอกวิชาจจรณาสัมปั น, นโนได้ว่าเมื่อวานนี้แล้วสัมมาสัมพุทโธนั่นว่าไปแล้วเนาะ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 ทีนี้ในรายละเอียดตรงนี้ไม่ตามไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญุตญาณน า, น, านาวารณญาณ น, นี่นะที่ญาณไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางได้ในคำพีปฏิสัมพิธามรรคถ้าต้องการอยากจะศึกษาเรื่องพยานเหล่านี้มีเยอะมากอินทรียปรโปรปริยติญาณญาณที่กำหนดความยิ่งและความอ่อนของอินทรียของสัตว์ทั้งหลายมหากรุณาสมาปฏิญาณก็คือพยานที่พระ อ, องค์มีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกอาสยานุสยญาณก็คือรู้อนุัย อัธยาศัยของสัตว์ยมกับปฏิหาริย์ญาณก็คือการแสดงปาฏิหาริย์ที่เป็นคู่คู่อะไรเนี่ยอันนั้นก็ไปอยู่ในรายละเอียดทีนี้เมื่อวานนี้พูดในเรื่องของวิชาเนาะเขาแปลว่าความรู้หรือความรู้แจ้งก็ได้แก่ปัญญาที่ทําให้เข้าใจสภาวะธา้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงในคัมภีร์ปรมัตตถันชุษาดีกาเนี่ยนะของวิสุทธิมรรตเนี่ยท่านใช้คําว่าอัตโนปฏิปักขัสะ วิชนะเถนะวิชาก็แปลว่าเชื่อ ว, วิชาเพราะมีความหมายว่าทิมแทงธรรมที่เป็นปฏิปักษวิชานี่นะคือทิมแทงธรรมที่เป็นปฏิปักษหรือที่ชื่อวิาวชานี่เพราะมีความหมายว่าทำลายกองมืดกองมืดกองมืดทำลายกองความมืดอะไรคือกองของความมืดคือโมหะนั้นวิชามีแปดวิชาแปดนั้นทำลายโมหะ เอาวิชาแปดมีอะไรวิชาแปดมีอะไรวิปาาัสนาญาณคือปัญญาที่ไปแยกแยะเห็นรูปนามด้ยความเป็นปัจจาลักษณะและสามัญลักษณะน้อิทธิวิธีนี่ก็ต้องทำลายความมืดได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรที่ผสตะใช่ไหมหูเทียบเนี่ยปกติมันมืดเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์หรอกโมหะมันปิดใช่ไหมโมหะมันปิดเคยได้ยินเสียงพรมคุยกัน แล้วไม่รู้หรอกนกมันนยะกาลังคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่มีหูทิพย์ไม่รู้ว่าเทวดาท่านกลังคุยอะไรกันหรอกแต่ถ้าคนมีหูทิพย์เขาหูทิพย์เนี่ยที่จะต้องเป็นไปกับวิปัสสนาปัญญามจะเห็นโทษของสังสารวัฏแต่ถ้าหูทิพย์ที่ไม่เป็นไปกับวิปัสสนาปัญญาน่ยยิ่งเห็นก็ยิ่งมืดยิ่งบอดเอางี้ถ้าหากว่าได้ยินของสัตว์นรกร้องจะกลัวไหม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 ท่านคนที่เขาอย่างเราถ้าลองไปมีหูทิพย์เนี่ยยุ่งเลยเราจะติดนั่นในตอของในวตาอีกนานเลยอ่ะพอไปมีหูทิพย์มีตาทิพย์เนี่ยยิ่งเป็นโทษหนักใหญ่ไปเห็นสิ่งประหลาดประหลาดเนี่ยมาคุยใหญ่เลยใช่ไหมแต่ท่านเห็นแล้วท่านสะดุง้งท่านกลัวภัยของวะตะ